ผมอยากให้เราเก็บเนื้อหาความรู้สึกนะของเนื้อเพลงขอให้หัวใจเหมือนพระไทยพระองค์เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเนื้อหาของบทเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อถึงความหมายนะครับความหมายของเนื้อเพลงเนี่ยผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยมีความตั้งตั้งใจนะมีความตั้งใจที่อยากจะดาเนินชีวิตอยากจะทำอะไรตามน้าพระไทยของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับ เมื่อกี้เรามีโอกาสได้ปรบมือกันไปแล้วนะครับปรบมือนะครับกับการร้องร้องเพลงเมีโอกาสได้ปรบมือไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้เรามีโอกาสได้ได้ยกมือนะครับยกมือเพราะว่ช่วงบ่ายนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยครับจะง่วงเหงาง่วงเหงาหาวนอนง่วงเหงาหานอนนะครับเราจะมีโอกาสได้ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันถ้ายังจํากันได้นะครับเมื่อกลางปีที่แล้วสํานักข่าว CNN ได้ เลือก23เมืองจากทั่วโลกนะครับที่พูดถึงอาหารริมทางหรือว่าอาหารข้างถนนนะครับเขาเรียกสตรีทฟู้ดเราเคยทราบถึงเรื่องนี้ไหมครับทราบไหมว่าเมืองไหนได้อันดับหนึ่งทราบไหมนะครับถ้าไม่ไม่ทราบครับพอจะเล่นกันได้พอจะเล่นได้นะครับพอจะมาถ่ายกันได้นะครับจะบอกว่าผมอยากจะ ยกตัวอย่างเมืองแล ะ, ะ บ, าบางเมืองท่านอาจจะไม่รู้จักมกคุ้นะผมจะพูดชื่อเมืองและประเทศไปด้วยนะครับและและคิดไวข้ขในใจนะครับให้เลือกได้สองคำตอบนะครับมือขวาเนี่ยสำหรับคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องมือซ้ายเนี่ยสำหรับคำตอบลองลงมานะครับผมเลือก10เมือง10ประเทศเนี่ยจาก2 3นะครับที่สำนักข่าวซีเ็จัดอันดับนะครับแ ล, ล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเฉลยว่า อันดับหนึ่งถึงอันดับสิบคืออะไรบ้างนะครับคิดไว้ในใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยตอบนะครับไคโร อ, อียิปต์นะครับเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโ ก, ก, โกปารีสฝรั่งเศสฮ่องกองอิสตันบูลตรุร ก, กีนะครับนิวออร์ลีนหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาเมืองเดอร์บันแ อ, แอฟริกาใต้ ฮาวายสหรัฐอเมริกาโตเกียวญี่ปุ่นแล้วก็กรุงเทพมหานครประเทศไทย23เมืองนะครับจากทั่วโลกเหลือ10ให้ท่านตัดสินใจในเวลานี้ให้ท่านไทายในเวลานี้นะครับใครคิดว่าเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยอันดับหนึ่งโจกุงสูงเลยครับมั่นใจเดี๋ยวคนกรุงเทพคนคนไทยอะ่ะคนไทยอะ่ะนะฮะ นะครับใครคิดว่าเป็นโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอ้พระเจ้านะครับเราคนไทยจริงๆนะคนไทยนะผมเฉลยเลยแล้วกันครับอดใจเลยไม่ไหวกรุงเทพมหานครครั บ, รบนะครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองอันดับหนึ่งนะครับที่มีอาหารริมทางหรืออาหารข้างถนนนะตามภาษาบ้านเรานะครับนะแปลว่า ท่านที่ยกมือนี่แต่ว่ามื้อเที่ยงนี้ก็ฝากท้องไว้กับอาหารข้างถนนกันใช่ไหมครับเหมือนผมนะครับผมอยู่ที่โบสนี่นะครับช่วงกลางวันเนี่ยผมก็จะมีมีพี่น้องนะครับมีครูในโรงเรียทนท่านาจะไปซื้ออาหารข้างทางนะครับแต่ของเราเนี่ยเราได้รับอาหารจากโรงเรียนวัฒนานะครับเพราะพระเจ้าก็อิ่มหมีพี่มันดีนะครับทีนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สํานักข่าวซ N เจัดอําดับให้ มีนายกนะครับผมไม่เอ่ยชื่อครับมีนายกกับผู้ว่ามีความยินดีมากนะครับมีความยินดีมากที่เมืองไทยติดอันดับหนึ่งครับกรุงเทพเมืองต้องห้ามห้ามพลาดที่จะมากินอาหารข้างถนนด้วยกันนะครับแต่ทีเนี้ยมีคนที่เขาอยู่ในดูแลเรื่องอาหารโภชนาการครับ mm hmm. เขารู้สึกเป็นห่วงในเรื่องนี้ เขาเลยหยิบยกด้านมืดที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่เราทั้งหลายคนจะรู้ในที่นี้เพราะถ้าเรายังคิดว่าเราไม่ได้ทําอาหารทานเองนะครับเราฝากท้องไว้กับร้านค้าทั่วไปอ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้สิ่งนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้านมืดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามนะครับเพราะเริ่มต้นที่ว่าปัญหาที่สําคัญที่สุดนะครับเริ่มมาจากคนคนในที่นี้ก็คือ เจ้าของร้านผู้สัมผัสอาหารผู้ปรุงอาหารนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้นึกถึงสุขลักษณะของผู้บริโภคนะครับผมยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของเจ้าของร้านก่อนนะครับแล้วเราลองคิดตามไปนะครับว่ามีอะไรมีสิ่งไหนที่แบบเราอาจจะเคยประสมเอาด้วยตัวเองนะครับผัดผักบุ้งไฟแดงครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องล้างผักบุ้งให้สะอาดคือ ต้องล้างสองสามน้ํานะครับไม่ใช่แบบรวดเดียวขึ้นมาอย่างงี้นะครับนะครับแต่ทุกครั้งเลยที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือปุ๊บรวดเดียวแล้วก็โยนใส่กระทะเลยแล้วมันก็มีไฟลุกขึ้นมานะครับ mm hmm. เพราะว่าผักบุ้งเนี่ยครับมันมีเต็มไปด้วยสารปนเปื้อนนะครับไม่ใช่แค่ผักบุ้งครับผักหลายๆอย่างกะหล่ำโดยเฉพาะกะหล่าปีผักอะไรที่มันแบบมีเอ่อมันมีใบหลายๆใบหรือว่ามันมีโดยเฉพาะผักบุ้งมันจะมีเขาเรียกว่าปล้องนะครับที่นั่นอ่ะที่มัน มันก็เลยต้องลังมากบางร้านครับเอาปลากระป๋องหมดอายุมาผัดเวลาเราทานข้าวผัดปลากระป๋องเราจะรู้ไหมครับว่าเราทานข้าวผัดปลากระป๋องที่เขาเอาปลากระป๋องหมดอายุมาผัดเราก็ไม่มีทางรู้นะครับบางร้านครับเขาเอาเด็กที่มาบริการเสิร์ฟแบบนี้คือเขาไม่มีการได้บอกกันก่อนนะครับเขาก็เคยเห็นไหครับที่เขาเอามือมาเอาแก้วมาเสิร์ฟเราแล้วเขาก็ยกมา3แก้วครับแต่เขาไม่ได้ยกอย่างนี้เขายกมาอย่างเงี้ยสแก้วนะครับ มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นกันในชีวิตจริงของเรานะครับบางร้านครับใช้น้ํากะละมังเดียวนะครับล้างจานเป็นร้อยใบเลยครับเราเคยแต่อยู่หน้าร้านไม่เคยเดินไปหลังร้านเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำคอยสังเกตดูว่างครับนะครับพื้นที่ตั้งโต๊ ะ, กะเก้าอี้ที่เราไปนั่งทานเนี่ยครับรู้ไหมครับว่าเมื่อคือนเนี่ยมันมีสุนัขมีแมวอะไรมาปัสสาวะมาเอาจาระตรงนั้นอนะ่ะรู้ไหมครับไม่มีทางรู้นะครับ นี้อันนั้นเป็นเจ้าของร้านครับเราไม่ได้สูดอยู่ในส่วนของเจ้าของร้านไม่เป็นไรครับเป็นองค์ประกอบที่เหนือความควบคุมของเราทีนี้เรามาดูผู้บริโภคตัวเราทั้งหลายผู้บริโภคเองครับบางครั้งเขาเรียกว่ามักง่ายครับมักง่ายกินอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ๆตัวครับแบบเอาแบบประเภทลงตึกมาแล้วก็เจอร้านเลยไงชอบอย่างเง้ยนะคือไปไม่ต้องเดินไปไกลและยิ่งสมัยนี้นะครับเราสังเกตว่า แดดเนี่ยรังสี U V เนี่ยครับคือแดดกลางวันมันแรงมากนะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยจริงๆนะครับคือทำให้แดดเนี่ยแสงแดดเนี่ยส่งลงมาโดนผิวเราได้อย่างมากกว่าแต่ก่อนดังนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาแดดสัมผัสผิวเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร้อนมากกว่าปกตินะครับบางคนครับ เราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับบางคนเขามีคอสึกว่านั่งจองจองกินข้างถนนนะครับมันได้บรรยากาศโดยเฉพาะขนมจีนนะครับขนมจีนนี่ไม่ได้เป็นโต๊ะสูงๆนะครับเป็นเก้าอี้นั่งยองจอง่ะที่ปลายมีเลยครับนั่งจองจองกินนะครับบรรยากาศดีอากาศเย็นนะครับบางคนก็ใช้มือเปิบครับใช้มือเปิบเนี่ยมันต้องแบบนี่ะสกปรกนิดๆสกมกหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอย่างเงี้ยนะครับคือคนเรามีหลายรูปแบบครับ บางคนกเ็เราอาจจะไม่ได้สนใจว่าพิธีทานนี้ใช้ผ้าที่เขาเช็ดเขียงนะครับกับผ้าคีริ้วอะ่ะผืนเดียวกันนะครับแต่เราไม่ได้ไม่เคยได้ไปไได้สังเกตตรงจุดนี้บางครั้งเห็นแล้วถึงเอามาพูดกันนะแต่สมัยนี้ผมคิดว่าสื่อสารกันทางไลน์ครับเราสามารถส่งต่อบอกกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับและบางร้านครับเราเห็นการจ่าๆเลยคือคนขายเข้ามันไก่ครับ เขาก็สับไก่รับเอาไก่โปะข้าวยื่นให้เราเพอเรายื่นเงินเขาก็รับเงินแล้วเขาก็มาทอนเงินให้กับเรานะแล้วมือเป็นมือเดียวกันครับมือที่โปะไก่นะีมือเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบอกว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยจะเต็มไปด้วยสารปนเปื้อนสารกล่องมะเร็งเชื้อโรคพยาธิทุกอย่างผลร้ายที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการกินอาหารริมทางอาารข้างถนนที่ไม่สะอาดนะครับ4นาทีแรกครับท้องเสียสําหรับคนที่ ไม่มีผม ท, ทานทานแต่อย่างเราเนี่ยไม่ไม่ใช่สี่นาทีแน่นอนครับอาจจะกลับไปบ้านก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมมีประสบการณ์ด้วยตัวเองครับกับลูกชายครับที่ไปกลุ่มแครกลุ่มแครหนึ่งพี่หวังดีนะครับได้เปิดผลผลไม้มาก็ให้ส่งให้น้องทานน้องก็ทานก็ทานเลยครับเม็ดเดียวเลยครับเชอร์รี่เม็ดเดียวครับพักหนึ่งครับก็ พื่นขึ้นนะครับพื่นขึ้นเหมือนกับเหมือนกับแพ้อะไรบางอย่างนะครับอะไรที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มหน้าบวมครับเลยต้องพาไปโรงพยาบาลไปถึงนะครับคุณหมอเนี่ยเขาใช้วิธีฉีดยาเข้าที่ขามารู้ภายหลังว่าการฉีดยาที่ต้นขาเนี่ยคือแพ้รุนแรงมานะครับดังนั้นเนี่ยวิธีเร็วที่สุดเนี่ยคือฉีดยาตรงต้นขาไม่ต้องมาฉีดแขนไม่ฉีดกลํามเนือแล้วครับคือ ที่ยาตรงต้นขาเลยนะครับและถึงขนาดที่ว่าต้องแอดมิดผมก็มีประกันสุขภาพประกันผู้รับใช้อยู่ที่กรุงเทพเตีย น, นครับก็ขอต่อรองว่าจากรามินธาเนี่ยขอมาที่กรุงเทพเตียนได้ไหม mm hmm. เขาบอกว่าถ้าไปไปเองไม่ได้นะครับต้องไปรถโรงพยาบาลคนหมอผู้ฉีตยาจะนั่งไปด้วยนะครับคือว่าเพราะยาตัวที่ให้ไปเนี่ยคือมัน ภายใน24ชั่วโมงอ่ะต้องอยู่ในความดูแลของหมอที่ให้ยาครับต่อรองกันนานเลยครับในที่สุดแล้วบอกว่าจะไปเร็วที่สุดมันเป็นวันศุกร์เลยนะครับในที่สุดแล้วก็ติดต่อโทรศัพท์ตลอดเมื่อมาเรามาถึงที่กรีเซียเนี่ยเขาก็แอดมิดเลยแล้วเขาก็บอกเลยว่าอันนี้เขาเรียกว่าการแพ้ขั้นรุนแรงนะครับการแพ้ขั้นรุนแรงเด็กที่ไม่พุ่มไม่มีภุ่มต้านทานจะเกิดอาการอย่างนี้เลยคือเขาขอขอบคุณพระเจ้านะว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาแล้วเป็นบทเรียนให้กับเราครับในที่สุดแล้วเนี่ย ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นสารปนเปื้อนหรือว่าเป็นตัวเบอร์เบอร์ลี่ที่ลูกแพ้นะครับดังนั้นเนี่ยคือต้องไปทาเทสอีกนะครับเนี่ยครับคือบอกว่าอาหารนะครับซึ่งอยู่ภายน อ, นอกการควบคุมของเราเพราะผมรู้เลยว่าถ้าเกิดเป็นภรรยาให้ลูกทานเนี่ยผมเห็นมาแช่น้าด่างทัพทิมครับคือไม่รู้กี่น้ำครับนะครับดังนั้นเห็นเลยว่าน่สิ่งต่างๆเนี่ ย, ยถ้าเรา ทำเองบริโภคเองเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดผู้ค้าสตรีทฟู้ดนะครับเขาบอกว่าไม่ต่างกับผู้ค้าหาบเปร๊แผงลอยนะครับเขาบอกว่าและยิ่งกว่านั้นนะครับที่หนักกว่านั้นก็คือว่าผู้ค้าสตรีทฟู้ดเนี่ยหรืออาหารข้างถนนนี่นะครับคือหนักกว่าตรงจุดที่ว่ามีการปรุงอาหารนะครับมีการเอาเตาเอาถังแกส๊ส เอากาะทะร้อนๆเนี่ยอยู่บนฟุตบาทนะครับแล้วให้คนเนี่ยเสี่ยงไปเสียงมาลุ้นเดินผ่านไปผ่านมานะครับเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างเหตุการณ์นะครับที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกแก๊งวิจฉาชีพลวงกระเป๋านะครับไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นที่ใดนะครับเขาบอกว่าเมื่อมาถึงโรงพักเนี่ยเมื่อตํารวจเขาค่อยๆสอบไปทีละประเด็นทีละประเด็นนะาค่อยกำหนดให้วงให้แคบขึ้นมาเขาเห็นเลยว่า คนนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกบีบนะครับให้เดินอยู่ในเขาบอกพื้นที่แค่60เซนติเมตรนะครับสองข้างฝั่งเนี่ยเป็นหาบเล่แผงลอยนะครับดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยที่ว่าคนที่เขาจะล้วงกระเป๋าเนี่ยจะสามารถล้วงได้คนนักท่องเที่ยวไม่เหมือนคนไทยครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเดินข้างถนนดีกว่าเดินข้างแ ล, ล้รถรถก็หลบไปเองครับนักท่องเที่ยวเขาไม่กล้าครับนะครับเขาก็จะเดินยอมเสี่ยงเดินกับคนที่ เนี่ยเบียดกันไปเบียดกันมาใช่ไหมครับเนี่ยเลยเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้มาดูเอาตรงประเด็นเลยเนี่นะครับว่ากินนอกบ้านยังไงให้ปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้อง ล, ลึกอยู่เสมอครับว่าเมื่อเราไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยมันเหนือการควบคุมของเราดังนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีที่จะเลือกนะครับว่าเพราะว่าคนที่ทำอาหารให้เราทานเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นคนในครอบครัวเราครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ มาพิถีพิถันในการปรุงแต่งให้กับเราอยู่แล้วเรื่องความสะอาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยจุดแรกเราอาจจะสังเกตว่าร้านเป็นยังไงครับช้อนซ่อมจานเป็นยังไงคนขายมีผ้ากันเปื้อนไหมเดี๋ยวนี้มีผ้ากันเปื้อนอยนั้นบางร้านที่ถูกสุ ข, ข, ข, ขลักษณะเนี่ยเขาจะสวมหมวกใช่ไหมครับเขาจะรวบผมเก็บไว้นะครับโตะ๊ะเก้าอี้เครื่องปรุงผ้าขี้ริ้วครับนะไม่ต้องดําขนาดนั้นนะครับเนี่ยถึงบอกว่า นอกเหนจากนั้นแล้วเมื่อเราเลือกร้านได้แล้วเนี่ยเราต้องมีสติในการสั่งอาหารว่าเราจะกินเพื่อความอร่อยนะครับกินเพื่อฆ่าความหิวหรือว่ากินเพื่อไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาหานะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับปากของเราทั้งเส้นนะครับดังนั้นนะครับก็เป็นความหวังดีเล็กๆน้อยๆ น, นะครับสําหรับตัวอย่างสําหรับคํา น, นํานี้เพื่อที่เราจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรานะครับ แล้วผมคิดว่าเราไมไ่เพียงแต่อยากจะเปลี่ยนแค่พฤติกรรมการกินถ้าได้ยินเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือว่าไม่ไมแน่ครับเดี๋ยวออกไปก็อาจจะลืมไปแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าเพิ่งผ่านพ้นมาประมาณ14วันนะครับวันนี้วันที่15ของปีใหม่2017หลายๆท่านคงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะครับไม่ว่าจะในการดาเนินชีวิตของเราชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานการเรียนของเด็กๆบางคนนะครับ ในเบื้องหลังพระคัมภีร์ตอนนี้ครับพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของอับรามนะครับเมื่อเราดูพระคัมภีร์5ข้อที่พูดถึงเนี่ยแต่จุดหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเพลงเมื่อกี้นะครับขอให้หัวใจเหมือนพระไทยพระองค์นี่นะครับคือได้บอกไว้ในเนื้อเพลงเนี่ยพูดถึงจุดจุดหนึ่งครับในพระคัมภีร์ที่บอกว่าจงดําเนินอยู่ต่อหน้าเราครับจงดําเนินอยู่ต่อหน้าเราครับความหมายนะครับในภาษาเดิมเขาบอกว่า คำพี่ที่บอกว่าจงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนะครับเหมือนกับให้ที่พระเจ้าสั่งเนี้ยต้องการให้คนที่ฟังและทำตามเนี่ยคือต้องคือต้องยอมจริงๆคือเขาเรียกใช้คาว่ายอมจำนนนะครับยอมจำนนเชื่อฟังมีชีวิตที่บริสุทธิ์และทำตามพระทยัยพระเจ้ามีความหมายดังนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเอ๊ะทำไมบทที่17เแล้วเนี่ยอับรามเนี่ยนะครับ ซึ่งในที่สุดแล้วเขาเป็นบีดายของความเชื่อของเราเนี่ยครับทราบใช่ไหมว่าอับรามมาเป็นอับราฮัมแล้วเป็นบีดายของความเชื่อครับทําไมถึงยังต้องได้รับการเตือนในประโยคนี้ครับว่าจงดําเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมนะครับเนี่ยครับสิ่งนี้นั่เองครับที่บอกว่าพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของอับรามนะครับพระเจ้ามีพระคุณความรอดผ่านทางชีวิตของอับรามมาถึงเรานะครับมาถึงเราทุกคน พาราะพระเจ้าสัญญาเลยนะครัว่าจะอวยพรว่าให้อับรามเนี่ยไปเป็นพระพรของคนอื่นไปเป็นพระพรกับทั่วโลกเลยนะครับให้อับรามเนี่ยมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับและแบบอย่างนี้เองครับที่เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของอับรามนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นบิดาแห่งความเชื่อของเราได้นะครับอับรามมีจุดเปลี่ยนยังไงแต่ก่อนที <S <S <S <S ่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งนะครับ พระเจ้าพระวิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคุณของพระองค์ที่ยังคงมีในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดปี2017ที่ผ่านมาขอพระองค์ทรงโปรดประทานความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้อยู่ในน้ําพระทัยของพระองค์นั้นยังคงอยู่และขอพระองค์ทรงโปรดนํา ให้พระบองแต่ละคนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอมอบพระชนะในตอนนี้ขอพระองค์ทรงโปรดสอนพระบองแต่ละคนให้สิ่งที่แต่ละคนเรียนรู้นั้นจะสามารถนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมเพื่อที่พระชนะของพระองค์จะเป็นจริงในชีวิตของเขา ขอขอบพระคุณพงษร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกับทูนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจุดเปลี่ยนประการแรกที่เราเห็นจากชีวิตอับรามนะผมขอให้เราย้อนมีโอกาสย้อนไปดูในประถมการบทที่12นะครับพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของอับรามก่อนนะครับ จุดเริ่มแรกครับในประส ม, มการบทที่สินะครับข้อหนึ่งถึงข้อ4นะครับผมจะยกแค่2ข้อคือข้อหนึ่งข้อ4ที่บอกว่าพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบีดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้และในข้อ4บอกกับเราว่าฝ่ายอับรามก็ไปตามพระํารัสของพระเจ้านะครับอย่างที่บอกครับอย่างที่่ีผู้นํานอสการ์ไบอกไปแล้วว่ า, วาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักของพระเจ้านะครับ พระเจ้ามีความรักต่อเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะอับรามเนี่ยที่บอกว่าเป็นเหมือนเป็นบิดานะเป็นบิดาแห่งความเชื่อของเรานะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยอับรามเองเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอับรามเนี่ยอยู่ในเมืองเออร์นะครับเมืองเมืองเออร์เนี่ยเป็นเมืองเขาบอกว่าเป็นเมืองของคนเคลเดียเป็นเมืองที่กราบไหว้รูปเคารพนับถือเทพเจ้าแบบ นะครับคือเขาเรียกว่าอย่างอย่างมากนะครับคือดังนั้นเนี่ยพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามีแผนการต่อชีวิตของอับรามเนี่ยพระเจ้าก็มีวิธีที่จะเรียกอับรามออกมาแล้วลองคิดดูนะครับว่าคนที่ อ, อ, อยู่กับครอบครัวใหญ่ๆครับอยู่เหมเือนปบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยการที่จะถูกเรียกออกไปจากที่ที่เองเคยอยู่ไปอยูใ่ในที่ที่แบบว่าเออยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยครับแต่ในจุดเนี้ยครับอับรามเนี่ย มีจุดอะไรบางอย่างที่แบบคลิกของเขาแล้วจุดนี้เองครับทำให้ผมคิดถึงพี่น้องใกล้ๆตัวเรานะครับเอาใกล้ๆตัวสุดก็คือที่บ้านสาขานะครับที่บ้านสาขานี่ผมจะเล่าพื้นเพศฟังนะครับบ้านสาขานี่นะครับคือเป็นชุมชนเก่านะครับเป็นชุมชนเก่าเนี่ยก็จะมีวัด โรงเรียนชุมชนอยู่ด้วยกันติดกันเลยครับคือเป็นปึกเป็นแผ่นทากิจกรรมร่วมกันมีงานอะไรก็ตามนะครับโรงเรียนชาวบ้านมารวมกันที่วัดนะครับจัดงานที่โรงเรียนวัดพระชาวบ้านเข้าไปรวมกันเนี่ยก็คือแล้วใกล้ชิดกันขนาดที่ว่าเขาบอกว่าบ้านสาขาเนี่ยก็คือหลังคาชนกันนะหลังคาเคยกันนะครับหลังคาเคยกันติดกันไปอย่างนั้นติดเป็นพืชไปนะครับแล้วเรื่องของนร้่องคือมีวัดครับ วัดที่มีหลวงพ่อเขาเรียกว่ามีหลวงพ่อที่เขานับถือมากนับถือมากในที่นี้บอกว่าถึงขนาดที่เวลาตะก่อนนะที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปไปคุยกับชาวบ้านนะเขาจะเล่าให้กันฟังเลยครับถึงเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเขาประสบกับเรื่องอิตาลีสปาดิหาร เมื่อมีไฟไหม้บ้านอย่างที่บอกครับบ้านอยู่ติดกลายเป็นพืชนี่ครับพอไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะตื่นตัวมาช่วยกันดับน้ําและตอนนั้นเนี่ยคือบ้านสาขาเนี่ยเป็นเป็นน้าล้อมรอบดังนั้นก็เป็นเรื่องง่ายไม่ต้องรอรถดับเพลไม่ต้องรออะไรมาครับก็คือก็ตักน้ำจากจากกร อ, อ, องจากเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็สาสาสรนะครับแต่ระหว่างเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งลมแรงครับ น, น้ําแบบประเภทกระป๋องถังอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถดับไฟได้ทันทีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนเห็นนะครับคนเห็นพระเหมือนจะพูดทะลุนะครับออกมาโ บ, บกไฟครับและในสุดไฟดับแล้วกลับกลายเป็นทําให้เกิดความเชื่อมากยิ่งขึ้นเมื่อวันรุ่งขึ้นทุกคนไปที่วัดเข้าไปในวัดในพระโบสถ์และเห็น พระพุทธรูปเป็นรอยไหม้บริเวณแขนเลยทําให้อย่ี่บอกครับความเชื่อที่บ้านสาขาเนี้ยจะเป็นความเชื่อที่แบบว่าเนี่ยครับเขามีประสบการณ์กับแบบนี้ครับดังนั้นเนี้ยความเชื่อก็ลึงแบบแข็งมากนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับสิ่งที่ผมก็มังจะบอกคือว่ามีจุดคลิกหรือจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้พี่น้องบ้านสาขาที่มาเชื่อพระเจ้าที่อยู่ข้างๆตัวพี่น้องที่พี่น้องมีกา ได้เห็นนะครับเนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยต้องมีโอกาสจะไปไ ป, ไปพูดคุยถามเลยครับว่าคือที่เนี่ยมาตรงจุดเนียได้ยังไงครับเพราะอย่างที่บอกครับเช่นเดียวกันว่าในสมัยนั้นเนี่ยอับรามนะครับอับรามเนี่ยเขาอยู่กับวิถีชีวิตของคนเมืองเอเนี่ยคนเคลเดียเนี่ยคือเขาก็มีเทพเจ้าโดยเฉพาะเนี่ยที่เขามีการกราบไหว้เขาบอกว่าพระอาทิตย์ พระจันทร์เนี่ยแล้วเขาก็มีประสบการณ์อะไรไม่แตกต่างกันครับดังนั้นเนี่ยความเชื่อแลอยู่กับปู่ย่าตายายมาเนี่ยเขาถูกเหมือนถูกถูกกดไว้อยู่แล้วว่าต้องเชื่ออย่างเงี้ยตลอดไปตลอดไปเนี่ยแต่มันมีอะไรบางอย่างครับที่ทําให้อับรามพระเจ้าเรียกอับรามโดยตรงนะครเรียกเหมือนเรียกเฉพาะเป็นการส่วนตัวแต่เมื่ออับรามออกมาเนี่ยในพระคัมภีร์ในประสมการบททีส่ส1เนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยบอกให้เราเห็นเลยว่าอับรามไม่ได้ออกมาคนเดียวนะครับ อับรามออกมากับญาติพี่น้องก็ยังมีคนคือมีคนได้รับเนี่ยการเปลี่ยนตรงจุดนี้ด้วยเหมือนการถึงออกมาถึงกล้าออกมานะครับคือทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าที่เรียกเนี่ยครับแต่ก็ยังออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยมันเหนือเหตุผลครับเหนือความเข้าใจที่เราจะเข้าใจได้ผมอยากอ่านในอิสยาห์บทที่55าข้อแนะครับบอกว่า เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตัดดังนี้และในข้อเก้าต่อไปว่าเพราะว่าเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าเรียกอับรามครับอาจจะมีการสื่อสารอย่าจนอับรามทราบว่าเนี่ยเป็นการเรียกพระเจ้าพระเจ้าแค่บอกว่าเหมือนกับ มีคำสัญญาให้ว่าถ้าอับรามออกมาพระเจ้าจะทำอะไรบ้างนะครับแลวพันธีก็บอกต่อไปเลยว่าพระเจ้าจะอวยพรนะครับจะทำให้เชื้อสายได้รับการอวยพรจะทำให้หผลิตะลยชนอะไรคือพระเจ้าก็สิ่งนี้เป็นคำสัญญาซึ่งอับรามเนี่ยแค่มีความเชื่อนะครับมีความเชื่อนะครับ มีความเชื่อไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวนะครับคือแล้วก็เชื่อฟังถึงทำตามนะครับสิ่งนี้เองครับเลยทำให้บอกว่าอับรามได้เชื่อฟังและออกไปเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนจุดลากที่ทําให้เราเห็นว่าหลังจากนั้นมาพระอภิ จ, จึงบันทึกได้ว่าความเชื่อนั่นเองพระเจ้าจึงทรงถือว่าอับรามชอบธรรมนะครับเป็นความชอบธรรมของท่าน และความเชื่อนี่เองครับที่ผมบอกว่าผมยกตัวอย่างพี่น้องที่บ้านสาขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากอารมณ์หรือความรู้สึกแวบเดียวนะครับคือมาร่วมงานฟื้นฟูแล้วก็ทันทีไม่ใช่ครับแต่มีอะไรบางอย่างครับที่สามารถทําให้กล้าตัดสินใจกล้าทําลายรูปเคารพที่บรรพบุรุษครอบครัวนับถือมานานนะครับกล้าออกมาจากออกมาจากบ้านนะครับแล้วเวลากลับไปเนี่ยเขาไม่ถามหรือว่าไปไหนนะครับ ไปไปคืนเสียนล่ะเขาไม่กลวงนี้เหรอนะครับเนะี่ยคือการตัดสินใจแบบนี้คือมันต้องต้องเชื่อจริงๆครับถึงถึงกล้าออกมาอย่างนี้นะครับเลยบอกว่าเช่นเดียวกันในพระธรรมปีที่บอกไว้เนี่ยไม่เกินจริงแต่ประการใดนะครับถ้าเราเห็นว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าหน้าต่อหน้าดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเลยว่าคือเขาจึงสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับเขาถึงเชื่อ แล้วก็สามารถทำตามในสิ่งที่พระเจ้าอาจจะบอกเขาโดยวิธีไหนในพระพีไม่ได้บอกแต่บอกว่าพระเจ้าเรียกอับรามนะครับและพระเจ้าก็เรียกเราทั้งหลายในที่นี้เช่นเดียวกั น, นครับด้วยเหตุผลเดียวกั น, นครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะวอวโพนชีวิตเราคนระับพระเจ้าถึงแบบอยากจะบอกอยากจะให้ให้คือให้เปลี่ยนจากอะไรบางอย่างที่เรายั ง, ย, งยึดอยู่ยังมีความรู้สึกว่า กลัวคนในครอบครัวกลัวคนข้างๆกลัวอะไรอย่างนี้ครับคือบางอย่างเนี้ยขอพระเจ้าช่วยนะครับขอพระเจ้าช่วยผมและพี่น้องที่แบบว่าอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเหมือนจะเป็นเป็นม่านที่ทําให้เราไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้หรือเป็นจุดที่ถ่วงในชีวิตเราที่ทําให้เราไม่สามารถจะตื่นมาอธิษฐานตื่นมาอ่าพระัมภีรได้เนี่ยขอพระเจ้า <willing>, ช <wipes. S 2> ่วยเราที่จะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตรงจุดนั้นเราจะสามารถดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าได้นะครับ เมื่อเปลี่ยนความคิดครับประการที่สองครับชีวิตจึงเปลี่ยนนะครับเราได้เห็นจากชีวิตของอับรามในปรถมการบทที่13นะครับปรถมการบทที่13ครับโดยเฉพาะจุดแรกที่เห็นก็คือว่าอับรามเนี่ยเปลี่ยนทางลักษณะนิสัยหรือความประพฤติในข้อ 8: ปข้อเบอกว่าอับรามจึงพูดกับโลดว่าเราอย่าวิวาสกันเลยอย่าให้คนเลี้ยงสัตว์ของเจ้ากับคนเลี้ยงสัตว์ของเราวิวาสกันเพราะเราเป็นญาติสนิท ที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้ามิใช่หรือจงแยกไปาจากเราเถิดถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวาหรือเจ้าจะไปทางขวาเราก็จะไปทางซ้ายนะครับเท้าความไม่ฟังครับตอนนั้นเนี่ยอับรามเนี่ยออกมาจากอียิปต์นะครับเป็นครอบครัวใหญ่อย่างที่บอกนะครับดัง น, นั้นเนี่ยมีทั้งทรัพย์สินและคนติดตามจํานวนมากนะครับและความมั่งคั่งของอับรามเนี่ยครับทั้งอับรามและลัวเลยเป็นครอบครัวใหญ่นะครับ ก็มีคนเยอะมีคนใช้เยอะมีเงินเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อไปด้วยกันเนี่ยคนหมู่มากครับเราก็มักจะประสบกันบ่อยๆครับการไปไหนไปไหนคนเดียวเนี่ยอาจจะคล่องตัวเวลาไปด้วยกันเนี่ยบางคนก็รอกันนะครับก็คือมีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้นอันนี้เช่นเดียวกันครับยิ่งมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งมีปัญหาแน่นอนนะครับและในจุดนี้ที่พระพิมพ์บอกเนี่ยคือสถานที่ครับแคบไม่พอแก่การเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องน้ําก็ไม่พอที่ดินก็ไม่พอก็เลยมีปัญหากันขัดแย้งกันนะครับใ น, นที่สุดแล้วคนเลี้ยงสัตว์ของทางอับรามและโลดก็เลยทะเลาะกันแต่อับรามมหาทางออกบอกกับโลดว่าจะแยกจะแยกทางกันเดินนะครับให้โลดเลือกก่อนนะครับเมื่อเราย้อนกลับมาดูชีวิตของอับรามครับคงจะจําได้มีพระบิดนลิงนะครับที่ในบทที่12เนี่ยที่พูดถึงว่าเมื่ออับรามไปอยู่ใน ยิบใช่ไหมครับเจอกับฟาโร่อับรามก็กลัวนะครับเอาตัวเองรอดไว้ก่อนก็คือบอกว่าซาซายเนี่ยที่เป็นภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นน้องสาวนะก็คือกโกหกนานเลยเนะี่ยก็คือการที่อับรามทําอย่างเงี้ยก็คือเอาตัวเองรอดนะครับเอาตัวเองรอดนะครับแต่เมื่อเขาเนี่ยม่ถูกพระเจ้าเรียกแล้วออกมาแล้วเนี่ยนะครับการที่เขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับ พระพีบอกไว้ว่าหลังจากที่เขามีโอกาสได้สร้างแท่นบูชาและมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้านะครับมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนตรงจุดนี้ได้และในที่สุดเนี่ยเขามาเปลี่ยนกลับกลับกันเลยนะครับจากหลังมือเป็นหน้ามือนะครับจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าคือแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาตัวเองก่อนเอาคนอื่นไปลองลงมาแต่เดี๋ยวนี้เขาให้คนอื่นก่อนเลยเขาให้ลเลือกเลยว่าให้โลเลือกเลยนะเลือกเลย นะแล้วเดี๋ยวเขาค่อยเลือกสิ่งที่เหลือจากโลดเลือกเนี่ยครับเป็นสิ่งที่แล้วตัวเองมีศักดิ์เป็นลุงครับโลดมีศักดิ์เป็นหลานเนี่ยคือตามธรรมดานี่ลุงเนี่ยนะครับโอกาสที่จะยอมให้กับหลานเนี่ยนะครับไม่ค่อยเห็นในสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ตรงจุดเนี่ยพูดถึงชีวิตของอับรามที่เออแล้วเป็นอย่างนี้ได้ไงนะครับอับรามมีชีวิตอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนะครับ แล้วทั้งหลายก็เช่นเดียวกั น, นครับผมคิดว่าบางอย่างนะครับคือเราจะสามารถเปลี่ยนได้นี่นะครับเปลี่ยนได้นะี่ยมันไม่บางครั้งมันไม่ได้เกิดจากตัวเราเองถ้าเรื่องเป็นตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องยากครับที่เราจะคือเราจะยอมอะไรนะครับเราก็มีครับมีมีหน้ามีตาในสังคมนะครับมีความไม่ว่าจะเป็นวุ ธ, ธิภาวะคุณวุฒินะฮะ มีอหลายอย่างที่เหมือนกับ เ, เป็นเป็นสิ่งที่เรายึดถืออยู่ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไม่นึกถึงจุดนี้นะครับไม่นึกถึงสิ่งที่เหมือนกับเออเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปเดี๋ยวปเดี๋ยวไปดาวเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นคุณค่าของคนเท่าเทียมกันนะครับเหมือนอย่างที่พระเจ้าต้องการจะให้เกิดขึ้นนะครับพราะพระเจ้าสร้างเราทุกคนเนี่ยนะครับตามลักษณะพระฉายาของพระเจ้านะครับ พระเจ้าไันต้องการให้ใครด้อยอไใครครับนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการเดินทางไปปลายที่ผ่านมาไปช่วยผู้สพภายหนาวนะครับก็มีผู้ที่ไปกับผมครับผมก็เพิ่งเ พ, พิ่งเห็นการที่พี่น้องท่านท่านเนี้ยที่ไปด้วยนะครับมีโอกาสลงในพื้นที่ไปด้วยกันคือไปเยี่ยมชาวบ้านที่ ที่ด้อยโอกาสนะครับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ป่วยที่ทุพพลภาพผู้ป่วยที่ทุพทุพลภาพนี่คือคนที่เคยมีชีวิตปกติเหมือนอย่างเราครับแล้วเขาก็มีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างทําให้เขาตาบอดก็มีเป็นใบิก็มีนะครับหูหนวกแล้วก็ไม่สามารถเดินได้เป็นอมันอมาพาตอัมพาตมีหมดนะครับเนี่ยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมนั้นสิ่งที่พี่น้องท่านนี้มีโอกาสได้สื่อสารลงไปนะครับ พูดจุดนึ่นะครับก็คือน่าสนใจมากคือบอกว่าเพราะเราไม่รู้จักมาก่อนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพคุณอยู่ทางภาคเหนือเป็นเพราะความรักของพระเจ้านําให้เรามีโอกาสได้มาเจอกันพระเจ้าให้เราเกิดมามีคุณค่าเท่าเทียมกันผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องท่านนั้นเล่าเล่าให้ฟังนะเล่าให้คนเนี่ยคนที่ ไม่วจะเป็นคนตาบอดหรือคนที่เป็นอำมาตย์ฟังนะครับบอกว่าคื อ, อที่กรุงเทพบ้านเราเนี่ยออกมาเนี่ยเจอแต่ควันพิษเจอแต่มลภาวะที่นั่นออกไปประตูมาครับ เ, เ, เ, เป็นทะเลหมอกเลยเป็นทะเลหมอกครับคืออ ย, อยู่คนละที่กันนะครับอาจจะจนอาจจะรวยไม่เหมือนกันแต่คุณภาพชีวิตเนี่ยแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ความสุขใจอย่างที่วัด มูลค่ากันไม่ได้นะครับตรงจุดที่ว่าบางครั้งคนรวยคนที่มีเงินมากมายเนี่ยหน้ายังเหมือนกับอมทุกข์ครับคิ้วขมวดนะครับต่างๆจากคนที่อาจจะไม่ได้มีมากมากมายนะครับแต่ก็มีความสุขในชีวิตสามารถมีเสียงหัวเราะในครอบครัวสามารถมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับอย่างที่บอกแล้วว่า พระเจ้าสร้างเราทุกคนมานะครับคือเราแต่ละคนมีคุณค่านะครับดังนั้นเนี่ยความแตกต่างจุดเนี่ยถ้าเรามั่นใจนะครับเราเชื่อและวางใจแบบที่อับรามเนี่ยวางพื้นฐานให้เรานะครับเราก็จะมีโอกาสได้สามารถเปลี่ยนในชีวิตของเราได้ว่าอันไหนอ่ะมันเป็น มันอยากเยื่อในชีวิตเราทำให้เราไม่สามารถจะเข้าหาพระเจ้าได้เราก็จะสามารถตัดไปได้นะครับโดยเฉพาะพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนเราได้นะครับผ่านทางที่เรามีโอกาสได้มานามัสการพระเจ้าผ่านทางการสามัคคีธรรมนะครับผ่านทางการรับใช้ผ่านทางการจัดกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันครับเมื่อเราอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเราไม่ลดความเป็นตัวตนของเราไปนะครับเรามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับขอพูดสามีครั้งนะครับ เวลาคนเรายืนล้อมวงเป็นวงกลมครับแล้วถ้าเรามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางจริงครับเราก็จะเดินเข้าหาพระเจ้าครับตัวเราก็จะเบียดกันเราก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เรายิ่งเข้าหาพระเจ้าแล้วเรายิ่งห่างออกจากกันแปลว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเดินไม่ได้เข้าหาพระเจ้าครับกลังอาจจะเดิน หลงทางกาลังจะเดินออกไปเลี่ยงออกไปทำให้ตัวเราไม่ติดกันทำให้ตัวเราไม่ได้ใกล้ชิดกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดครับว่าถ้าเราให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตคนระับเราจะสามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตเราได้นะครับให้เป็นดังที่พระลัภพีได้บอกไว้ว่าอย่าให้ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยนะครับและในโรมที่ข้อบอกว่า จงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเมื่อพูดถึงเมื่อเปลี่ยนความคิดและชีวิตเปลี่ยนนะครับผมนึกถึงผู้ปกครอ ง, องท่านหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนท่านนอนป่วยอยู่บนเตียงนะครับเนะมื่อเราไปรับการพระเจ้าแล้วไปร้องเพลงอ่านพระคัมภีร์พอถึงเวลา อ้ฐานก็ถามท่านว่ามีหัวข้ออะไรให้ไอ้ฐานเผื่อนะครับเนื่องจากสมัยนี้อย่างที่บอกครับเรามีการสื่อสารกันทางไลน์รู้กันทุกเวลานะครับผู้ปกครองท่านนี้เสนอหัวข้ออ้ฐานนะครับบอกว่าไอ้ฐานเผื่อสมาชิกที่คริสต์จักนะครับไอ้ฐานเผื่อให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้รักกันนะครับเพราะว่า การสื่อสารทางไลน์นะครับข้อมูลที่สื่อสารไปบางครั้งอาจจะมีการตอบโต้กันนะครับอาจจะมีการไม่เข้าใจกันก็สื่อสารกันทุกคนก็ไม่เพียงแต่คนที่มาที่คริดสักที่จะรู้นั้นคนที่ไม่ได้มาที่คริดสักถึงแม้จะนอนป่วยบนเตียงก็รู้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็เลยเป็นห่วงก็เลยไม่ต้องอธิษฐานเผื่อตัวท่านหรอกที่เจ็บป่วยอธิษฐานเผื่อนีสมาชิกอะที่แบบให้รักกันให้มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน นะครับสิ่งนี้ครับเห็นได้จากชีวิตของอับรามที่บอกว่าอับรามหลังจากที่ชีวิตเขาเปลี่ยนอะไเนี้ยเขาเห็นคนอื่นก่อนเห็นคนอื่นก่อนตัวเองนะครับตอนแรกเนี้ยเขาเห็นตัวเองก่อนคนอื่นเลยเขาเอาตัวเองรอดเขาเอาภรรยาซาไลาเนี้ยยกให้ฟารโรไปเลยนะครับแต่เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขาแล้วเนี้ยเขายอมที่จะยกให้โลด ให้โลดเลือกก่อนตัวเขาค่อยเลือกทีหลังโลดก็ได้นะครับชีวิตที่เปลี่ยนครับไม่เพียงแต่เปลี่ยนทางความประพฤติเท่านั้นเราเห็นจากอับราอัอัอรามเนี่ยเปลี่ยนแปลงทางการกระทำด้วยนะครับในบทที่14ข้อ1 4บถึงบอกว่าเมื่ออับรามได้ยินว่าพวกค้าศึกจับญาติสนิทไปได้จึงนำพลชำนาญศึก318คนไล่ตามไปทันที่เมืองดานและนา โลดญาสนิทของท่านกลับพร้อมกับเข้าของของเขาและประชาชนด้วยนะครับและงจากที่โลดครับถูกเหมือนเลือกตัวเองเลือกไปเลือกเมืองเมืองผิดนะครับคือไม่ได้เลือกในสิ่งที่ที่เป็นการทรงนำของพระเจ้าเป็นการเลือกของตัวเองดังนั้นเนี่ยโลดก็ไปเลือกเมืองโสโดม ก็เป็นเมืองที่แบบว่ายิ่งตกอยู่ในความผิดปราบมากมายนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกเนี่ยเหตุการณ์ก็เห็นว่าเมื่อเมืองถูกทาลายถูกตีเี่โลดถูกจับไปเป็นเชลยกับการว่าโลดหลานที่เอาเปรียบลุงอับรามมีจิตใจที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงตรงจุดแรกที่เราเห็นว่าให้โอกาสโลดเลือกก่อนเลยนะเมื่อโลดเลือกผิด รลถูกจับเป็นเฉลยอับรามตามไปช่วยอีกนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นในสังคมเรานะครับว่าการที่เราบอกว่าเออไม่เป็นไรนะอภัยให้ยกโทษให้อันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดที่ออกมาแต่สิ่งที่จะเป็นจริงได้นะครับคือการที่เราจะลงไปในความต้องการของเขาเราจะลงไปถึงบึ้งลึก ของหัวใจของเขาว่าเอ อ, อการที่เราปัดไปพ้นตัวเนี่ยบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแต่ใจยังขุ่นมัวอยู่นะครับกับการที่เราอาภัยให้จริงๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันสิ่งที่เราอาจจะทําด้วยตัวเองไม่ได้ครับแต่ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนในชีวิตเราจริงๆครับเราจะสามารถคือรักคนที่ไม่น่ารักได้เราจะสามารถอภัยให้กับคนที่ทํากับเราได้อภัยได้แน่นอนครับนะครับ เห็นตัวอย่างในพระธรมภีมากมายนะครับดังนั้ น, นขอพระเจ้าช่วยผมและพี่น้องนะครับให้บทเรียนการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับอับรามนะครับที่มาเป็นบีดายขงความเชื่อของเราเนี่ยนะครับคืออย่างน้อยก็สะท้อนอย่างน้อยก็ให้ข้อคิดให้แง่คิดกับเราที่จะมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในปี2017นี้เพราะเพิ่งจะล่วงเลยมา15วันนะครับดังนั้น ให้ผมอยากสรุปตรงสุดท้ายนีนะครับในพระธมพีที่เมื่อกี้เรามิโิกาสได้อ่านด้วยกันในประถมการบทที่17เนี่ยนะครับในข้อ5ที่พระเจ้าบอกว่าชื่อของเจ้าจะไม่มีใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมพระเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายอับรามนะแค่อับรามเนี่ยก็เป็นชื่อ ที่มีความหมายว่าบิดาที่น่ายกย่องแล้วแต่เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนจากอบัอบรามฮัมนะครับเป็นบิดาของมวลวนชนเนี่ยนะครับคือพระวจนะพระชนะของพระเจ้านี่เป็นจริงจริงนะครับคือหลายนันมาเราเห็นเลยนะครับว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นบิดาของอิสมาเอลอิสมาเอลเนี่ยก็คือคนอาหรับคนตะวันออกกลางครับนะครับนะอับราฮัมเป็นบิดาของอิสอกักอิสอักนี่ก็เป็น ต้นตระกูลของชาวยิวนะครับอับราฮัมเป็นบิด า, าความเชื่อของคริสเตียนนะครับก็เป็นเป็นบิดาเป็นผู้นําทางเราทั้งหลายที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงในพระวจนะของพระเจ้านะครับวันนี้ถ้าพระเจ้ามีโอกาสกราบกับพี่น้องนะครับไม่ว่าโดยทางใดทางดึงนะครับทางพระวจนะของพระเจ้าหรือทางการเรามีโอกาสได้อธิษฐานไข้ควรกับพระเจ้า นะแล้วถ้าพระเจ้าตรัสว่าจงดําเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมนะครับเพราะพระเจ้าบอกประโยคนี้เพื่อที่อยากจะให้ถ้าเราเชื่อฟังเราทำตามพระเจ้าอยากจะอวยพรชีวิตเรานะครับเราพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าครับนะครับขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนความคิดเรานะครับเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนเหมือนกับพระเจ้าเหมือนดังเช่นเพลงที่เมื่อกี้บอกว่าขอให เหมือนพระไทยของพระองค์นะครับของพระเจ้าอวยพรครับ